ครูวรัยหกสิบเศษตอบแบบประชดประชันในใจหนึ่งก็คิดว่าเอเสียงอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้เราเคยเห็นที่ไหนนอขอประทานโทษท่านสมพานชื่ออะไรคะหล่อนถามเพราะนึกไม่ออกจริงๆว่าเคยพบพระรูปนี้ที่ไหนมาก่อนยังไม่ทันที่สมพานจะตอบ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 แล้วจึงกราบปลุกปลุกสามครั้งหันไปบอกหลานชายว่าไอ้หนูเรากลับกันเถอะจำพรรษาที่วัดกูดีทองนะ่ะดีแล้วอย่าได้มาอยู่วัดนี้เลยโยมครูใจเย็นๆจะ้ะอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็อย่าได้เอามาคิดให้จิตเศร้าหมองไปเปล่าๆอาตมาก็ถูกทำโทษ สมควรแก้ความผิดแล้วนี่นาอย่าผูกความโกรธไว้เลยอาตมาขออโหสิกรรมนี่ก็ตั้งใจว่าจะบวชไปตลอดชีวิตสมพันหนุ่มพูดหมายจะให้ครูหายโกรธแต่ครูร้อยช่างกลับตอบว่านั่นเพราะท่านเห็นว่าไม่มีใครเขาจะเอาคนเกเรเกตุงไปทำลูกทำหัวต่างหาก เห็นครูโมโหพระหนุ่มจึงยัวว่าคงไม่เกี่ยวกับเรื่องคู่ครองกระมังเพราะบางคนไม่เกเรเกตุงแต่หาคู่ครองไม่ได้ก็มีคราวนี้ครูร้อยช่างโกรธหัวฟัดหัวเวียงรีบลุกออกไปจากที่นั่นโดยไม่ล่าลาหลานชายที่มาด้วยลุกตามออกไปโดยไม่รู้อิโนอีเน ป้าของเขาชอบทำอะไรแผลงๆแบบนี้เป็นประจำนี่หากไม่เกรงใจว่าเป็นพี่สาวคนเดียวของบิดาคงจะเลิกคบไปนานแล้วนั่นครูของสมพานหรือจ๊ะนางแต้มถามขึ้นถูกแล้วจะโยมครูของอาตมาเขาขี้โมโหอย่างนี้เองใจจริงไม่มีอะไรหรอก ท่านรีบพูดกลบเกลื่อนท่านไปทำอะไรแกเข้าลาดูท่าทางแกยังไม่หายโกรธเลยคราวนี้คนถามคือหนังเช่มกยแยะแกเล่นตามประษาเด็กสนนายโยมไม่นึกว่าแกจะโกรธยั่งยืนอย่างนี้อาตมาก็ถูกครูใหญ่ลงโทษสาสมกับความผิดแล้ว ลองโทษอย่างไรครับเขียนกิโลเนนเฉลียวถามไม่ได้ถูกเขียนรอกแค่ถูกไล่ออกถึงกับไล่ออกเชียหรือครับท่านสมพานไปแย่อะไรโยมครูคนนั้นล่ะครับเอาละอย่าไปสนใจเรื่องของอดีตอดีตผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงสนใจเรื่องปัจจุบันดีกว่า เมื่อกี้โยมถามว่าการทําบุญสิบแบบมีอะไรบ้างใช่ไหมใช่จ้ะอีฉันเป็นคนถามเองนั่งโถตอบงั้นก็ตั้งใจฟังให้ดีอาตมาจะอธิบายให้ฟังเรื่องนี้สำคัญมากนะเพราะชาวพุทธเรา มักจะเข้าใจกันว่าการทำบุญนั้นต้องถวายสังฆทานทอดผ้าป่าทอดกระถินสร้างโบสถ์สร้างศาลาคือไปคิดว่าต้องเสียเงินถึงจะได้บุญความจริงแล้วการทำบุญไม่ต้องเสียเงินก็ได้อาตมาจะอธิบายการทำบุญสิบแบบที่เรียกว่าบุญกริยาวัตถุ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 อย่างโยมมาปฏิบัตินี่โยมก็ต้องสมทานอุโบสถศีลใช่ไหมก็เท่ากับโยมได้ทำบุญถึงสองอย่างคือทั้งศีละะไมและภาวนาหมจึงได้บุญมากกว่าการรักษาศีลเท่านั้นและแบบที่สี่ะจ๊ะนั่งโถถามแบบที่สี่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 แม่อิชันกำลังจะเรียนท่านสมภารอยู่พอดีว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของอิชันพากันตายหมดแล้วอิชันคงทำบุญแบบนี้ไม่ได้เหมือนท่านสมภารจะรู้ถึงได้ตอบให้อิชันหายข้องใจขออนุโมทนาท่านเก่งเหลือเกินสตรีอายุน้อยที่สุดพูดขึ้นหล่อนคงอายุรุ่นราวคราวเดียวกับท่านจึงได้มีโอกาสได้เรียนหนังสือแบบที่ห้าละจ๊ะ นางโถรีบถามเพราะเกรงจะเสียผลประโยชน์อันพึงได้จากการฟังธรรมแบบที่ห้าเรียกว่าเวยาวัจจหม่บุญสำเร็จด้วยการช่วยขวนขวายรับใช้พูดถึงเรื่องนี้ทำให้อาตมานึกถึงขอทานสองผัวเมียชื่ออะไรก็จำไม่ได้เสละบ้านแกนอยู่ภัยขวางนูน่น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 เวลาที่บ้านโยมยายมีเทศมหาชาติแก่มาขอทานได้แล้วก็ยังไม่ยอมไปแก่จะขอฟังเทศให้จบก่อนชาวบ้านเขารักแกกันทุกคนพระหนุ่มเล่าความหลังยังจําภาพขอทานสองผัวเมียได้ติดตาแสดงว่าแกได้บุญหลายอย่างชาติหน้าคงไม่ต้องไปเกิดเป็นขอทานอีกอุมาสกกล่าว ก็คงจะเป็นอย่างนั้นแต่ชาตินี้แกก็ไม่ได้เป็นขอทานแล้วเพราะลูกๆกแกโตขึ้นมีงานมีการทำก็ไม่ให้พ่อแม่มาเป็นขอทานอีกต่อไปตอนตาผัวตายอาตามายังไปเผาศพแกเลยนิมนท์ท่านสมพานเทศเรื่องการทำบุญต่อเธอจะ้ะ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 เราก็ยกมือขึ้นสาธุอนุโมทนาบุญกับเขาเราก็ได้บุญเรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่เป็นข้อที่7ส่วนข้อที่8กับข้อที่9คือธรมรมะสวรรณาใหม่และธรรมเทศนาใหม่โยมฟังอาตมาเทศโยมก็ได้บุญอาตมาเทศให้โยมฟัง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 ทั้งพระทั้งโยมสามารถทำบุญแบบที่8ดและแบบที่9ได้ก็เวลาที่โยมมาปฏิบัตินี่นะพอกลับไปบ้านก็ไปสอนลูกหลานให้เดินจงกรมให้นั่งภาวนาก็จัดเป็นธรรมเทศนาใหม่หรือการสอนให้เขาละเว้นจากการทำชั่วสอนให้ทำความดี ก็เข้าขายแบบที่ก้าแล้วทำไมจะทำไม่ได้นิมนต์ต่อข้อสุดท้ายเลยจ้ะนางโถนิมนต์อีกข้อสุดท้ายนี่สำคัญที่สุดแล้วก็ได้บุญมากที่สุดข้อนี้มีชื่อเรียกว่าทิฏฐุ ก, กรรมคือบุญ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 จริงครับทั้งโยมหญิงโยมชายตอบพร้อมกันเอาละ่ะทีนี้อาตามาจะตั้งคำถามโยมช่วยกันตอบนะอาตามาจะถามว่าการทำบุญทั้ง1ิบแบบนี้ถ้าแบ่งอย่างกว้างๆออกเป็นสามแบบคือทานาใหม่ศีลใหม่และภาวนาใหม่ แล้วเอาเจดข้อที่เหลือสงเคราะห์เข้าในสมข้อนี้โยมลองช่วยกันคิดสิว่าข้อสถึงข้อ10จะสงเคราะห์เข้าข้อใดบ้างคืออีชันจำชื่อไม่ได้แล้วเรียกเป็นข้อข้อดีกว่านะอีชันว่าข้อสี่กับข้อหสงเคราะห์เข้าในข้อสอง คือสีลามัยข้อ6ข้อ7สงเคราะห์ในข้อที่หนึ่งคือทานามัยข้อ8ข้อ9จัดเข้าในข้อสคือภาวนามัยส่วนข้อสุดท้ายอีฉันว่าเข้าได้ทั้งสข้อนางโถตอบมิเสแรงที่สนใจฟังด้วยว่านางเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแม้จะจำชื่อไม่ได้หมดทุกข้อก็ตาม โยมแต้มละ่ะเห็นด้วยกับโยมโถไหมอีฉันไม่ทราบจ้ะจําไม่ได้แล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ก็อีฉันไม่ได้เรียนหนังสืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นางแต้มตอบไกลย่กลยโยมโถเรียนหนังสือหรือเปล่าท่านถามนางโถไม่ได้เรียนจ้ะอีฉันก็อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เหมือนแม่แต้มเขานั่นแหละจ้ะอีฉันก็ไม่ได้เรียนนางเช่่มตอบทั้งที่สมภารยังไม่ได้ถามนางกลัวจะถูกถามนั่นเองเอาละเป็นอันว่าที่โยมโถตอบมานั้นถูกต้องทุกอย่างทีนี้โยมก็เข้าใจแล้วใช่ไหมว่าการทำบุญนั้นไม่จำเป็นต้องใช้เงินเสมอไป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 โยมทอดผักปกาสิทอดกระถินสิจะได้บุญได้อานิสงค์คือท่านสอนแค่ทานธรรมส่วนอีก9ข้อท่านไม่สอนถึงสมภารองค์ก่อนท่านก็ไม่เคยสอนอุบาสกพูดพาดพิงไปถึงสมภารที่มรณภาพไปแล้วโยมอย่าไปพูดตําหนิท่านอย่างนั้นเลยท่านมรณภาพไปแล้ว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 เขาอยู่ที่ตนพี่กุลหลังโบสชฉันมาก็เห็นตนพี่กุลจริงๆขอให้ฉันอยู่เถิดนาท่านแม่ชีวัยแปดสิบเศษขออนุญาตหลังจากเล่าให้ท่านฟังแล้วเอาเถอะไหนๆก็เป็นคำสั่งเทวดาอาตมาเป็นมนุษย์หรือจะบังอาจขัดขืนสมภารวัดป่ามะม่วงพูดยิ้มยิ้ม ญาติโยมที่นั่งณนะที่นั้นต่างพากันอยากรู้ว่าเทวดาหน้าตาเป็นอย่างไร